สวัสดีครับขอตอนรับเข้าสู่รายการ c o m ทูเดย์เรดิโนะครับทาง FM 89.5 เมกะเฮิร์ส์นะครับอยู่กับผมพรชัยจันทระสุขเกนะครับบกพมิ้งประจำวันอังคารนะฮะก็เขาเรียกว่าเป็นรายการแรกของสถานีเลยเนาะเปิดมาทีิ้งคืนถึงตีหนึ่งก็เจอกับพี่มิงเลยนะครับเมื่อวันนี้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของ Big Data นะครับแล้วก็เอาเคสของของหนังสือกับห้องสมุดมาเป็นตัวเปรียบเทียบ ก็น่าจะช่วยทําให้หลายๆคนที่มีความข้อสงสัยหรือยังไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับคำว่า Big Data เนี่ยเข้าใจเรื่องของบิ๊กดาตามากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนบรรยากาศกับวิธีการรับมือการเปลี่ยนแปลงของ Facebook a l กอริทึมในช่วงปีที่ผ่านมากันบ้างนะครับคือปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเป็นคนทําการตลาดผ่านเฟซบุ o กนะฮะมันก็จะมีกฎกติกาที่ปรับเปลี่ยนไปในแต่ละปีซึ่งต้องบอกว่า ในช่วงปีที่ผ่านมาคือ2018จนถึงปี2019เกนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนอยู่ค่อนข้างเยอะนะฮะซึ่งการปรับเนี่ย Facebook เขาก็มีข้ออ้างแหละว่าเพื่อที่จะทำให้ประสบการณ์ของผู้ใช้ facebook เขารู้สึกดีไม่ได้รู้สึกว่าถูกยัดเยียดขายของมากเกินไปแต่อีกในยะหนึ่งก็คือถ้ามองแบบไม่ไม่เอาบบข้ออ้างนะอันนี้ก็มองว่า เฟซบุ๊กก็พยายามจะหาทางเก็บต่างคนทําการตลาดตรงนี้ผ่านแพลตฟอร์มของเขาเพราะว่ามันเป็นช่องทางในการสร้างไรายได้ที่ดีมากๆเลยในยุคนี้นะครับอ่ะมาดูว่าการปรับเปลี่ยนสําหรับอัลกอริทึมใน Facebook เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนล่าสุดในช่วงสองสาเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะักการตลาดและเจ้าของธุรกิจหลายท่านที่กระโดดลงมาเล่นตลาดออนไลน์จะรับรู้โดยอัตโนมัติว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันไม่ธรรมดานอกจากประกาศว่า Mark ช่วงตั้งแต่ปลายปี2017จนถึงต้นปี2018ที่ผ่านมาว่า Facebook เนี่ยจะปรับการเข้าถึงของ Newfeed ให้พวกเราในฐานะออเดียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนครอบครัวและก็สังคมใกล้ตัวมากขึ้นแต่หากมองในมุมมองของธุรกิจพื้นที่ในการโฆษณาก็าจะน้อยลงลงไปทันทีนะฮะทำให้ธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลาง อาจจะเดือดร้อนมากกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ก็เป็นได้นะครับเพราะว่างบประมาณที่ต้องทุ่มเทให้กับโฆษณาบน Facebook นั้นจะถูกเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวตามกฎของ Demand กับ Supply นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มันมีอะไรบ้างแบ่งมาเจ็ดข้อด้วยกันนะครับเริ่มต้นกันที่ข้อแรกก็คือการเปลี่ยนแปลงเรื่องของ Newfeed แล้วเรื่องของคะแนน Engagement เนี่ยก็มีส่วนเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นเอกเมก็คือ การเข้าถึงข้อมูลอะไรพวกนี้นะฮะคะแนนที่จะมีน้ำหนักมากที่สุดจนถึงน้อยที่สุดสำหรับ engagement บน Facebook เมื่อพูดถึง engagement แน่นอนเราก็ต้องนึกพวกไลค์คอมเมนต์แชร์แต่การเปิดตัว Interactive ต่างๆบน Facebook เมื่อ 2-3 สมปีที่ผ่านมาเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่ามีน้ำหนักมากขึ้นทำให้ทำให้อะไรฮะทำให้การที่คอนเทนต์ของเราอยู่ในหน้า New f e e d ของออเดียนได้อยู่นั้นไม่ว่า Facebook จะปรับอัอกลกอริทึมให้ลดลงไปอีกก็ต้อง ขึ้นอยู่กับปัจจัย3อย่างเช่นกันก็คือ1นึ่งน้ำหนักจะถูกเปลี่ยนแปลงไปนิดหนึ่งเริ่มต้นจากคอมเมนต์เนี่ยยิ่งคอมเมนต์เยอะคะแนนของคอนเทนต์นั้นก็จะเริ่มเยอะขึ้นตามด้วยอะไรฮะแชร์อินเตอร์แอคทีฟทั้งหมดคือปัจจัยที่มีผลต่อคะแนน Engagement และจะส่งผลให้คะแนนของคอนเทนต์เราเนี่ยไต่อันดับไปใน New Feed ของลูกคา้าโดยพูง่ไงว่าถ้ามีคนคอมเมนต์เยอะก็จะมีคนเห็นยิ่งเยอะขึ้นแต่ถ้าเกิดไม่มีใครคอมเมนต์ คนเห็นข้อมูลของเราก็จะน้อยลงนั่นเองนะครับอันที่ 2. คลิกเบสอาจจะนำมาซึ่งความสำเร็จที่น้อยลงป ร, ประเด็นสำคัญที่เราต้องตกผลึกต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเรื่องของคะแนน Engagement ก็คือการใช้เทคนิค o p y Writing คือเขียนพาดหัวข้อเพื่อคลิกเบสเหมือ น, นตกเบดอะเรียกว่าอย่างนั้นอาจจะนำมาซึ่งความสำเร็จที่น้อยลงสำหรับคอนเทนต์ต่ตาง แต่ e a d l i n ์ที่ผสมคำให้ผู้อ่านผู้ชมได้ลงมือปฏิบัติอะไรสักอย่างจะมีผลมากขึ้นเช่นผู้ชาย3แบบที่ผู้หญิงมองหาคุณอยากได้ผู้ชายแบบไหนลองคอมเมนต์มาเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้คะแนนที่ดีนะครับอันที่3ประโยคที่กระตุ้นให้เกิดการลงมือปฏิบัติก็มีผลต่อคะแนน engagement ขึ้นมาด้วยนะฮะเรื่องนี้จึงเชื่อมโยงไปถึงการกระตุ้นให้คนล์วิดีโอให้มากขึ้นแต่เหมือนเดิมคือเน้นคอนเทนต์ที่เป็นคุณภาพพร้อมกับ คอนเทนท์ที่มีคนช็ค e action ตลอดเวลาเช่นมีกิจกรรมให้ช่วยคอมเมนต์ให้ช่วยแชร์และกดอินเตอร์แอคทีฟต่างๆก็จะช่วยให้คอนเทนต์ของเราเนี่ยรักษาคะแนนได้เป็นอย่างดีนะครับมาดูข้อ4ี่บ้างคะแนนสําหรับคอนเทนต์วิดีโอบน Facebook ก, ก็ยังคงนํามาเสมอนำหน้ามาเสมอนะแต่อย่าใช้เพียงแค่วิดีโอคอนเทนต์โดยไม่เชื่อมต่อกับฟังก์ชันอื่นๆที่ Facebook มีให้ลองใช้วิดีโอคอนเทนต์ที่เป็นตัวเจาะใจลูก ค, ค้าก่อนแต่อย่าลืมเก็บ Data เพื่อมาทำโฆษณาให้ตรงกลุ่มมากขึ้นพร้อมกับบวกหรือผนวกกับกิจกรรมอินเตอร์แอคทีฟเข้าไปจะเป็นฟังก์ชันที่เราสามารถเชื่อมกับเรื่องของแชทบอทและลามาซึ่งเป็นการสับสคร b e แบบคุณภาพอีกด้วยนะครับ อ, อันนี้ก็เล่ามาทั้งหมด4เรื่องแหละยังเหลืออีก3ตัวซึ่ง3าตัวตัวนี้อะไรที่ทำให้เอนเกจเมนต์ของของ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 เมื่อเธอยืนยันออกมาว่าต้องไปแม้ว่าฉันรักเธอมาแค่ไหนภาพวันนั้นที่เราเคยฝันมันคงไม่มีต่อไปวันนี้เธอขอให้ฉันตัดใจเธอรู้ไหมว่ามันไม่ง่ายเลยที่ฉันต้องยอมรับ กับชีวิตในโลกที่มันไม่มีเธอแต่ถึงแม้อยากเก็นเท่าไรฉันก็จะยอมรับมันเอาไว้เจ็บแค่ไหนฉันก็จะฟื้นแกล้งทำว่าไม่เป็นไรบอก ใจที่มันอ่อนแอตอนนี้ช่วยทนให้ไวแม่น้ำตาไหลฟื้นยิ้มมองเธอจากไปเธอเลือกแล้วฉันก็ต้งยอมเข้าใจไม่ไหวแค่ไหนต้องทนให้ไวฉันก็พร้อมยินดี เมื่อเธอไปเจอเกับทางที่ดีกว่าแม้ว่าตรงนั้นจะไม่มีฉันขอใจนะที่ครั้งหนึ่งเธอเคยอยู่ตรงนี้กับฉันให้ฉันรู้ว่าเคยโชคดีแค่ไหนในวันนี้มันคงไม่ง่ายเลยที่ฉันต้องยอมรับ ในโลกที่มันไม่มีเธอและถึงแม้อยากรังเธอไว้ฉันก็คงพูดได้เพียงในใจเจ็บแค่ไหนฉันก็จะฝืนแกลงทำว่าไม่เป็นไรบอกใจที่มันอ่อนแอตอนนี้ ช่วยทนให้ไหว้แม่น้ำตาไหลฟื้นยิ้มมองเธอจากไปเธอเลือกแล้วฉันก็ต้องยอมเข้าใจเจ็บแค่ไหนฉันก็จะฟื้นแกลงทำว่าไม่เป็นไรบอกใจที่มันอ่อนแอตอนนี้ช่วยทนให้ไหว้ แม่น้ำาไหลฟื้นยิ้มมองเธอจากไปเธอเลือกแล้วฉันก็อยอมเข้าใจไม่ไหวแค่ไหนต้องทนให้ไหว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 นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไปให้มาตรงกันทีวิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 เมกะมาต่อนะครับเลรกตะกี้ก็พูดถึงประมาณ4 4เทคนิคในการที่จะทำให้ฟีดของเราเนี่ยมันขึ้นมาแล้วก็มีคนเห็นเยอะๆก็อย่างเช่นอาจจะเริ่มจาก การทำให้มีคนตอบมีอินเตอร์แอคทีฟกับเรามากขึ้นคือแทนที่จะอ่านข้อความเฉยๆก็อาจจะต้องหากิจกรรมให้เขาช่วยคอมเมนต์เพื่อแสดงความคิดเห็นแล้วความคิดเห็น ท, เทนที่มีคุณภาพคอนเทนต์ที่มีคุณภาพก็จะยิ่งช่วยทำให้เราหรือฟีของเราเนี่ยขึ้นขึ้นอันดับดีๆเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่ะเราจะมาดูกันต่อในช่วงนี้นะครับตะกี้เราพูดไป4เรื่องแหละ ว, ว่า มีประโยคมีวิธีการหากิจกรรมให้ร่วมนะฮะวิดีโอคอนเทนต์จะวิดีโอก็ต้อง linking กับกิจกรรมอื่นด้วยนะฮะหา้านะฮะมีอะไรบ้างบวกกับการเชื่อมโยงคนที่มีอินเตอร์แอคทีฟกับคอนเทนต์ของเราโดยเฉพาะไลฟ์วิดีโอสามารถลากไปต่อเพื่อทําการกระตุ้นให้เกิดวอร์มอินก์ลีดต่อเนื่องผ่านการป้อนคอนเทนต์ในระบบแชทบอทใน Facebook Messenger ได้อีกด้วยนะครับหากใครที่ตอนนี้กําลังลุยเรื่องแชทบอท จะรู้กันว่ามีระบบของ Third Party หลายเจ้านะครับที่ทำให้เราสามารถป้อนคอนเทนต์ใช้เครื่องมือทำการตลาดในการส่งคอนเทนต์ข้อความให้กับลูกค้าที่ตรงกับที่เราต้องการมากยิ่งขึ้นนะครับหกนะฮะการใช้ Facebook กลุ่มนะฮะเพื่อสร้าง Community Engagement Conversation แล้วก็ กลุ่มของออดิเอ็นแบบเข้มข้นนะฮะเพื่อนำไปใช้เป็นฐานในการโฆษณาต่อบน Facebook ได้อีกด้วยนะครับล่าสุดนะครับทางดิจ i เ a y ได้ประกาศข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของกลุ่ม a c e b o o k ว่า f c e b o o k กกำลังจะค่อยๆปล่อยฟังชันเพื่อให้เราสามารถใช้ Facebook Pixel for กลุ่มสำหรับการติดตามพฤติกรรมของออดิเอ็นในกลุ่มได้ทันทีนะฮะนะฮะ internal community building การมีส่วนร่วมของคนในองค์กรหากวิเคราะห์ง่ายๆไม่คิดซับซ้อนนะก็เอาเป็นว่า f a c e b o o เนี่ยอยากให้เราเชื่อมโยงสายสัมพันธ์กับเพื่อนครอบครัวคนใกล้ชิดของเราเนี่ยมากขึ้นใน a c e b o o k แน่นอนว่า Facebook profile ของทีมงานของเราก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือแต่ขอให้แน่ใจนะครับว่าทีมงานลักในองค์กรรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและอยากร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนการเข้าถึงแบรนด์ ไปสู่กลุ่มลูกค้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในโลกออนไลน์ท้ายที่สุดนะครับก็ะบอกเสียงที่มีคุณภาพที่สุดของเราก็อาจจะเกิดจากทีมงานของเรานั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็น7วิธีการรับมือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นสำหรับ algorithmalgorithm um. um ก็คือเงื่อนไขในการแสดงฟีดของ Facebook เนี่ยที่มันปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา เมื่อมีการปรับเปลี่ยนเราในฐานะของผู้ใช้ในฐานะนั้นทาพวกดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง Marketing, ก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยด้วยนั่นเองครับรายการคอมจูเดย์สนับสนุนรายการโดยบริษัทเ r i p จําจำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีมหาวิทยาลัยนัปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม อยู่กำลังกระนำหัวใจพัดทำลายชีวิตไม่เหลือไรทั้งนั้นเมื่อมือที่เคยจูงมือมันกลายเป็นมือที่คอยทำลายจากคนที่เคยเปล่อยคำว่าเราจะอยู่กันไปจนตายมันเป็นเพียงคารมคําคงที่ไม่เคยจะมีความหมายเมื่ใจที่เคยมีกันมันไม่มีเหลือชีวิตด้ พาหยุดนี้ไปแม้ว่าใจจละลาเท่าไรต้องไปให้พ้นมือที่เคยจูงมือมันกลายเป็นมือที่คอยทำลายจาคนที่เคยปล่อยคำว่ารอเธออยู่เป็นไปจนตายมันเป็นเพียงคาร่ำเป็นคําคงที่ไม่เคยจะมีความหมายเมื่ใจที่เคยมีกันมันไม่มี รายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกใจให้มาตรงกันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz เมยังคงอยู่ในข่าวของ Facebook นะครับหลังจากที่เกาะหน้านี้นะก็มีข่าวว่า f a c e b o o เนี่ยปล่อยข้อมูลหลุดรั่วไปนะะ ตอนนี้เป็นยังไงเ็าบอกว่าเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเฟ e บุ๊กจะต้องจ่ายค่าปรับ5 0 0พันล้านเหรียญจากกรณีข้อมูลผู้ใช้ล่วงไหล87ล้านบัญชีนะครับเมื่อช่วงเดือนเมษาปีที่แล้วนะครับมาร์คซักเกเบิร์ผู้ก่อตั้งและซ e o ของเฟซบุ๊กเนี่ยได้ต้องเขาเรียกว่าไม่ให้ได้หรอกต้องเผชิญหน้ากับเหล่าวุธิสมาชิกสหรัฐหรือว่าสสสอวอเนาะของสหรัฐกรณีข้อมูลผู้ใช้ รั่วบล้านบัญชีหรือว่า c a m b ริดแคมบริดอนา a ินะฮะนำมาซึ่งความผิตกกังวลของผู้ใช้ต่อการรักษาความเป็นส่วนตัวอย่างมหาศาลของ Facebook นะครับล่าสุดนะครับทาง Facebook ได้จ่ายค่าปรับถึง5 0 0พันล้านเหรียญหรือประมาณ 1,555,000 ล้านบาทกับทางคณะกรรมาการกรรมธิการการค้าของสหรัฐหรือว่า FTC จากกรณี c a m b r i ดจ์ a นาลิตินะครับและรวมไปถึงการใช้ข้อมูลใบ ห, หน้าในรูปถ่ายกับเบอร์มือถือสำหรับการยืนยันตัวตนของผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยสำหรับจำนวนค่าปรับนี้ก็ะนะับเป็นจำนวนค่าปรับที่สูงที่สุดเท่าที่องค์กร FTC เคยสั่งปรับมาเลยกันทีเดียวนะฮะเขาบอกอย่างนั้นนอกจากค่าปรับแล้วนะครับทาง FTC อย่างที่สั่งให้เฟ e b o o k นี่ฮะจะตั้งคณะกรรมการด้านความเป็นส่วนตัว แล้วก็ต้องเป็นคณะกรรมการที่สามารถตรวจสอบเรื่องข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้ได้และต้องสร้างความมั่นใจด้วยว่าข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้ทั้งหมดได้รับการป้องกันจริงซึ่งเขาบอกว่าทาง Facebook ต้องส่งรายงานไปยัง FTC ทุกไตรมาสและหลายปีเลยเนยเรียกได้ว่าเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ของ Facebook จริงๆที่ผ่านมาทางมารักเบิรเองก็กล่าวว่าจะปรับปรุงเรื่องการรักษาความป็นส่วนตัวผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้ามาคิดอีกมุมหนึ่งเนี่ยมั น, ม น, มนอารมณ์เหมือนค่าปรับสมมุติว่าวันก่อนฟังข่าวเนี่ยแท็กซี่จากสนามบินใช่ไหมแล้วก็ไ ม, มไม่เปิดมิเตอร์ใช้วิธีเหมาจ่ายกี่พันไม่รู้แหละผู้โดยสารก็ต้องยอมจ่ายไปแล้วก็มาแจ้งความปรากฏว่าพอจับได้ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรแท็กซี่โดนปรับ200 แล้วก็โดนพักทันเดือนหนึ่งแต่ไอ้ที่เขาทําทํามา4ี่ห้ายเนี่ยรวมแล้วเนี่ยอาจจะคุ้มกว่าก็ได้เหมือนกันฮนะการที่มาร์คซักเบิร์ตเนี่ยตั้งใจปล่อยข้อมูลให้มารู้ถ้าคนไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแตค่คนรู้เนี่ยเขาก็จ่ายค่าปรับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยรายได้ที่เขาได้จากตรงดาต้าเบรดตรงนี้อาจจะสูกว่าที่เราคิดก็เป็นได้นะเพราะฉะนั้นการที่ต้องบอกว่าการที่เราเป็นผู้ใช้เองเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวัง ตัวเราเองในการใส่ข้อมูลความเป็นส่วนตัวของเราลงไปเพราะว่าสุดท้ายถ้ามนหลุดหรือรั่วออกมาคนที่เดือดร้อนก็คือตัวเราและคนที่ได้ประโยชน์ก็คือเจ้าของแพลตฟอร์มนั่นเองครับรายการ Comtoday สนับสนุนรายการโดยบริษัท ARIP จำกัดมหาชนและมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลคัญบุรีมหาวิทยายลัยนัปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม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 ฝนที่มันพรางพรมลงใสน้าอายปล่อยน้ำตาให้มันเรนไหลบาอายฝาดินสูญสิ้นแล้วความฮักนาทีสุดท้ายด้วยคำว่าเลิกกันปานหัวใจของอายถูกขันด้วยนะ้ามือเจ้ากับเขา สองเถึงตอนอาวสานเกมผู่บัตรทันได้รางวัลตอบแทนเปนแน่นตา <S 1> <S 1> <S 1> รับเบิดเวลาริ่มเดันมาตั้งแต่น้องพบเขา เจ้าทายโอนในความเป็นเรายกให้เขาทีละน้อยไอวิ่งไวายว่าตามใจเจ้ขคืนน้องก็บืนนี้ใสงเกียรยได้แต่มอกหักที่ลุดลอยรอถึงวันเลิกลา ตอบแทนเป็นน้ำตาระเบิดเวลาเริ่เดินมาตั้งแ้่นมพบเขาเจ้าไทายโอนในความเป็นเรายกให้เขาที ค ล, ลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกใจให้มาตรงกัน TV, ที่วิทยุราชมงคลทัญบุรี fm 8 9 5เมกเรเล่าเรื่องของ a ฟ e b o o k มาเซียหลายรอบหลายเบรกนะอันนี้จะเปลี่ยนบรรยากาศมาที่วอ s a p p กันบ้างนะฮะห่างหายกันไปหนเขาบอกว่าวอ s a p p สามารถเล่นในมือถือรุ่นกล้วยหอมของโนเกี8110ได้แล้วนะครับ โนเกียแปด่เนี่ยเป็นฟิวเจอร์โฟนของโ No เกีที่ออกมาเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็เป็นโทรศัพท์ที่สไล ด, ด์เปิดปุ่มเปิดก็เลยเปิดสไลด์เปิดแล้วก็เปิดปุ่มกดที่ส่งโค้งวาวลา์กไลยกล้วยหอมและตอนนี้สามารถเล่นวอตแอปได้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่สาวกโนเกีย <c oughs> และสาววอตวอตแอปและจะถูกใจเพราะว่าโดยที่ระบบที่ใช้ในโนเกียแปดเนี่ยเป็นระบบที่ชื่อว่า Kai OS ซึ่งใช้ ซึ่งในที่สุดเนี่ย WhatsApp ก็สามารถทำให้ตัวเองลันบน OS ดังกล่าวได้นะครับโดยแอ ป, ปสามารถดาวน์โหลดได้จา ก, กอุปกรณ์ Kai Store สำหรับ Kai OS เนี่ยที่มีแรมขนาด256 m b แล้วก็512 m b ขึ้นไปและจะติดตั้งมาพร้อมกับโทรศัพท์บางรุ่นที่เริ่มต้นในไตรมาสที่3ของปีนี้ก่อนหน้านี้นะครับ WhatsApp ได้เปิดใช้งานฟิวเจอร์โฟนหลายๆรุ่นผ่านระบบ Kai ไข่เนาะอันอาจะเรยว่าไข่ไข่ iOS มาแล้วซึ่งปกติแล้วใน WhatsApp เก็จะรันบน Android ใน Windows Phone ใน iOS ได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดอีก1ช่องทางนะครับก่อนหน้านี้นะครับ WhatsApp ได้เปิดใช้งานฟ u เจอร์โฟนหลายๆรุ่นในโลกข iOS แล้วก็เปิดใช้งานใน Nokia 8 110นเมื่อเดือนเม ษ, ษาที่ผ่านมาแต่เฉพาะในอินเดียวันนี้นับเป็นครั้งแรกนะครับที่มีการวางจาหน่ายทั่วโลกในวงกว้าง แอปนี้มีให้บริการสําหรับอุปกรณ์ Kaios ทั้งหมด7เครื่องนะฮะก็คือ Chat B สามสิบหดอลลาร์เจย์หน Joy Phone นะฮะ Joy Phone ส M T N Smart Nokia 8810แล้วก็ Orange Sansa นะฮะดังนั้นใครใช้ Nokia 8 810อยากใช้วาดแอปก็ได้ใช้แล้วนะฮะสบายอกสบายใจกันไปนะครับข้ามาที่ Apple บ้างนะครับ Apple เตรียมเปิดตัว iPhone 11ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก็าบอกว่า Apple เนี่ย เตรียมเปิดตัว iPhone 11ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้ามาพร้อมกับพอร์ต h t n i n g ระบบแท็บบิ้ง n g น n ินน ะ, ะหรือระบบหรือระบบสั่นแจ้งเตือนใหม่แล้วก็กล้องหน้าที่ปรับปรุงให้ดีขึ้ น, นะฮะตามรายงานของเว็บไซต์ 9to Max iPhone 11จะมาพร้อมชิป A13 ตัวนี้แรงทีเดียวนะฮะแต่เรื่องของ t ท p t i c Engine นี้ยังไม่ค่อยมีข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสื่อมากนักนะมีเพียงรหัสของการเข้าถึงออกมาว่าเป็นลิ ting, ท d Ha บ t i ้งเท่านั้นเองนะครับ ตอนนี้เราเคยเห็นภาพเรนเดอร์ภาพหลุดของ iPhone 11ออกมาก็คือฮาทีเดียวเพราะมีกแต่ว่าออกมาในแนวลบๆมากกว่ากระแสะบวกเพราะว่าขนาดสาบวก Apple เองออกปฏิว่าทำไมดีไซน์มันไม่ค่อยเหลาใจอ่าก็ต้องทำใจในะของแบบนี้แบบบางทีอาจจะเบื่อสไตล์เดิมๆพะ อของใหม่ก็ไม่ชอบกลับไปของเดิมก็ไม่ได้เป็นความยากเป็นการของคนที่ออกแบบเดี๋ยวรอดูแล้วกันของจริงออกมาหน้าตาเป็นยังไงก็คงจะเห็นกันแต่เข้าใจว่าน่าจะเห็นกันนู่นแหละตุลาพฤศจิกันนั่นแหละก่อกจะได้เห็นกันรายการคอมจูเดย์สนับสนุนรายการโดยบริษัทเ r i p ร์ไจำกัดมหาชนและมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยายลัยนักปฏบิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 尘。 再多。 หรือสุดท้ายจะต้องเสีย รักเบาหัวใจตัวเอง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 GDPR เรียกว่าเป็นเรื่องวุ่นกันพอสมควรกับประเด็นการปกป้องข้อมูลส่วนตัวบนแพลตฟอร์มใหญ่ๆอย่าง Facebook ที่นับวันก็โดนกฎหมายจากหลายประเทศเข้ามามีบทบาทเล่นงานมากขึ้นเรื่อยๆนะครับล่าสุดกับกรณีของปักอินในเว็บไซต์ต่างๆที่โชวยอดเพจไ ล, ไล้บนบทความต่างๆตอนนี้ก็โดนทางศาลในยุโรปชี้ว่าเจ้าของเว็บไซต์ต่างๆนั้นมีความรับผิดชอบต่อข้อมูลของผู้เข้าดูคอนเทนต์ในกรณี ที่ข้อมูลเหล่านั้นถูกนําไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุ ญ, ญาตซึ่งบรรดาเฟซบุ o กปลักอินเหล่านี้นะครับก็เป็นช่องทางที่ทําให้ Facebook ติดตามและก็ดึงข้อมูลผู้ใช้งานไปใช้เพื่อทําโฆษณาต่อโดยที่ตัวคนดูคอนเทนต์อาจจะไม่รู้ตัวนะครเพราะว่าปลักอินเหล่านี้ทํางานเมื่อหน้าเว็บไซต์มีการโหลดข้อมูลขึ้นโดยอัตโนมัติในเชิงปฏิบัตินั้นนะฮะก็ย่อมหมายความว่าเว็บไซต์ต่างๆที่ติดตั้งปลักอินเหล่านี้ต้องทําให้ผู้เข้า เว็บไซต์ยินยอมในการเข้าหรือดึงข้อมูลมาดูเว็บไซต์ด้วยนะซึ่งเรื่องนี้อาจจะต้องมีการถกเถียงแล้วก็ปรับตัวกันอีกพอสมควรนะครเพราะราดูเหมือนว่าแนวทางขององค์กรรัฐจะพยายามเข้มงวดเรื่องความเป็นส่วนตัวและความโปร่งใสในการเก็บข้อมูลของผู้บริโภคมากขึ้นเช่นเดียวกับแรงกดดันต่างๆซึ่งจะบีบให้แพลตฟอร์มอย่าง Facebook และ Google ซึ่งอาศัยข้อมูลเหล่านี้ในการทํา การตลาดหรือทำธุรกิจในการหาเงินมาตลอดจะต้องตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคมากขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะตอนนี้มีคำถามเข้ามาพอสมควรสำหรับคอมมานตปลายปีนี้ว่าจะมีวันไหนนะครับก็จะมีวันที่ 19-22 ก้าถึง่าองธันวาคมนะครับมาพร้อมกับคอมมานต์เวิร์นนะฮะซึ่งครั้งนี้จะเวิร์คแบบไหนเวิร์อีท่าไหนยังไงก็ต้องค่อยๆดูกันไปนะเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันนะครับอ่ะ เราจะมาปิดท้ายกับข้อคิดดีๆเช่นเคยนะครับจากเพจของพี่มิงคอมทูเดย์ถ้าเป็นเพื่อนกันเป็นแฟนคลับกันก็อย่าลืมอย่าลืมไปติดตามกันนะครับอ่ะอยากจะมาเล่าเรื่องนี้เขาบอกว่ายิ่งเก่งต้องยิ่งแกล้งโง่นะครับเป็นเรื่องเล่าที่บอกว่ามีแม่ทัพคนหนึ่งนะฮะเล่นหมากล้อมเก่งมากไม่ค่อยมีคนเล่นชนะได้วันหนึ่งแม่ทัพก็ออกลบผ่านอู่บ้านแห่งหนึ่ง เห็นบูบ้านเล็กๆหลังหนึ่งมีป้ายติดว่าเล่นหมากล้อมอันดับหนึ่งของประเทศแม่ทับไม่เชื่อฮะจึงเข้าไปหาเจ้าของบ้านและเล่นด้วยปรกากฏว่าเจ้าของบ้านแพ้ทั้ง3ากระดาษแม่ทับหหวเราะฮ่าฮ่าแกเอาป้ายลงได้แห ล, ละแล้วแม่ทับก็ออกไปลบด้วยความภาคภูมิใจและดีใจไม่นานนะครับแม่ทับลบชนะ ก, กลับมาผ่านมาที่บ้านหลังเดิมก็ยังเห็นป้ายแขวนอยู่ที่บ้านหลังเดิมแม่ทับจึงเข้าไปหาเจ้าของบ้าน และท้าดวนอีกปรากฏว่าครั้งนี้แม่ทับแพ้ทั้ง3กระดาษแม่ทับประหลาดใจมากครับถามเจ้าของบ้านว่าเพราะอะไรเจ้าของบา้านตอบมานิ่มๆครับว่าครั้งก่อนเนี่ยเห็นว่าท่านมีภารกิจออกลบข้าน้อยจะไม่ทําให้ท่านเสียกําลังใจท่านห ม, าม ห, มามหมดความกำลังหมดความหมดขวัญกําลังใจไม่ได้แต่ครั้งนี้นะครับท่านชนะกลับมาถ้าน้อยไม่ต้องออมเงินละเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่เก่งจริงในโลกนี้คือชนะได้ แต่ไม่จาเป็นต้องชนะมีใจกว้างขวางก็พอนะฮะการใช้ชีวิตก็เหมือนกันรู้ไม่จาเป็นต้องพูดไม่พูดใช่ว่าจะไม่รู้ตอนน้าคนใจแคบคุณต้องใจกว้างถ้าทำใจกว้างไม่ได้ก็ต้องแกล้งโง่นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อคิดที่พี่มิงเขียนเอาไว้ในเพจ e อมท Today นะฮะพิงค์ม n ง o อมทูเดยนะถ้าสนใจอยากได้ข้อคิดดีๆแบบนี้ก็ไปติดตามฟังติดตามอ่านกันได้นะครับ เดี๋ยวเร็วๆ ว, วันนี้นะครับพี่มิงจะกลับมาทาอีก1ช่องทางคือพอดแคสต์นส่วนจะมีตรงไหนบ้างเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบกันนะครับเวลาวันนี้หมดลงแล้วสัปดาห์นี้ก็หมดลงแล้วไว้เจอัพี่มิงใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ